เรื่องอริยาวาสอริยวงเรื่องมีอยู่ว่าสมัยที่ผู้เล่าอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านหนองผือมีชาวกรุงเทพมหานครไปกราบนมัสการถวายทานฟังเทศและได้นำกระดาษหอทูมีเครื่องหมายการค้ารูปตราพระพุทธเจ้าตกหล่นที่บันไดกุฏิท่าน พอได้เวลาผู้เล่าขึ้นไปทำข้อวัดปฏิบัติท่านตามปกติพบเขาเลยเก็บขึ้นไปพอท่านเหลือบมาเห็นถามว่านั่นอะไรรูปพระพุทธเจ้าก็รับกระผมท่านกล่าวดูสิคนเรานับถือพระพุทธเจ้าแต่เอาพระพุทธเจ้าไปขายกินไม่กลัวนรกนะแล้วท่านก็ยื่นให้ผู้เล่าบอกว่าให้บรรจุเสีย ผู้เล่าเอามาพิจารณาอยู่เพราะไม่เข้าใจคำว่าบรรจุจับพิจารณาดูพระพักเหมือนแขกอินเดียผู้เล่าอยู่กับท่านองค์เดียวท่านวันยังไม่ขึ้นมาท่านพูดซ้าอีกว่าบรรจุเสียทําอย่างไรขอรับกระผมไหนเอามาสิยื่นถวายท่านท่านจับไม่ขีดไฟมาทำการเผาเสียแล้วพูดต่อว่า หนังสือธรรมมา ส, สวดมนต์ที่ตกหล่นขาดวิ่นใช้ไม่ได้แล้วก็ฮรีบรรจุเสียกลัวคนไปเหยียบย่ำจะเป็นบาปผู้เล่าเลยพูดไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกอินเดียนะครับผมท่านตอบว่าคนไม่มีตาเขียนเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นแขกหัวโตได้ท่านกล่าวต่อไปว่าอันนี้ได้พิจารณาแล้วว่า พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยพระอนุพุท ธ, ธาสาวกในยุคพุทธกาลตลอดถึงยุคปัจจุบันล้วนแต่ไทยทั้งนั้นชนชาติอื่นแม้แต่สารณาคมและศินหะเขาก็ไม่รู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรดูไกลความจริงเอามากๆเราได้เล่าให้เธอฟังแล้วว่าชนชาติไทยคือชาวมาคตรวมรัฐต่างๆ มีรัศ ก, กะเป็นต้นหนีการล้างเผ่าพันธุ์มาในยุคนั้นและชนชาติพมา่าคือชาวรัฐโกสลเป็นรัฐใหญ่รวมทั้งรัฐเล็กๆจะเป็นวชัชีมัลละเจติเป็นต้นก็ทลักหนีตายจากผู้ยิ่งใหญ่ด้วยโมหะาอาวิชามาผสมผสานเป็นมอนคือมัลละเป็นชนชาติต่างๆในพม่าในปัจจุบัน ส่วนรัส ก, กะใกล้กับรัฐมะคตก็รวมกันอบพยพมาสุวรรณภูมิตามสายญาติที่เดินทางมาสแสวงโชคล่วงหน้าก่อนแล้วผู้เล่าเลยพูดขึ้นว่าปัจจุบันพอจะแยกชนชาติในไทยได้ไหมขอรับกระผมไม่รู้สิอาจเป็นชาวเชียงใหม่ชาวเชียงตุงในพม่า ก, ก็ได้ขณะนั้นท่านวันขึ้นไปพอดีตอนท้ายก่อนจบ ท่านเลยสรุปว่าอันนี้หมายถึงตัวท่านได้พิจารณาแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเมืองเราวัดวาศาสนาพระสงฆ์สามเณรเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นหรือแขกอินเดียเขามีเหมือนเมืองไทยไหมไม่มีมีแต่จะทำลายโชคดีที่อังกฤษมาปกครอง เขาออกกฎหมายห้ามทำลายโบราณวัตถุโบราณสถานแต่ก็เหลือน้อยเต็มทีไม่มีร่องรอยให้เราเห็นอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยตัวเธอเองนั่นแหละเธอได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวอินเดียจ้างเธอก็ไม่ไปเกิดของเหล่านี้นั้นต้องเป็นไปตามว่าตามวงตระกูลอย่างเช่นวงพระพุทธศาสนาของเรานั้น เป็นอริยาวาสอริยวงอริยตระกูลเป็นวงที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติคุณปลารรมบทมาแล้วคำว่าปุคคโลบุริสาทันโยลองปลาดูซิว่าพระพุทธจะเกิดในมัชิมะประเทศหรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นที่อินเดียหรือที่ไหนก็ตามทุกแห่งตกอยู่ในห่วงแห่งสังสารวัฏถึงวันนั้น พวกเราอาจจะไปอยู่อินเดียก็ได้พระพุทธเจ้าทรงวางพุทธศาสนาไว้จะเป็นระว่างพุทธันดรก็ดีสุญยะกับก็ดีที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ชนชาติที่ได้เป็นอริยาวาสอริยวงอริยประเพณีอริ ย, ร ย, ร น, รยนิสัยก็ยังสืบต่อไปอยู่ถึงจะขาดก็ขาดแต่ผู้ได้สาเร็จมากผลเท่านั้น เพราะว่าจากบรมครูต้องรออบรมครูมาตรัสรู้จึงว่ากันใหม่ผู้เล่าได้ฟังมาด้วยประการชนนี้และ